ทวนย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาคืนเดือนมืดมองเห็นกระท่อมปลายนาทั้งหลายที่จุดไฟอันนี้เขบอกว่าออนึกออกยากก็เหมือนกับขึ้นบนตึกสูงๆแล้วก็มองเห็นเนี่ยนะตอนกลางคืนมองเห็นปราศาสหรือตึกหลังไหนตึกตึกไหนก็ช่างเถอะที่เขาเปิดไฟเนี่ยเราก็มองเห็นเพราะตึกสมัยใหม่โดยมากก็จะใช้กระจกใช้กระจกก็จะมองเห็นว่าเออห้องไหนเขาเปิดไฟเอาไว้เป็นต้น เสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงความเพียร น, น, นะพระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าข้าแต่พระมหาวีระทรงความเบียนก็คือพระมหาวีระเพราะพระพุทธเจ้าทรงแกล้วกล้าด้วยอะไรเวสาลชยานสี่แกล้วกล้าด้วยอะไรยามที่ไม่ขั้นครามว่าไม่มีใครทักท้วงพระองค์บอกว่าท่านปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านยังเหลือกิเลสอยู่อันนี้พระองค์ก็ไม่มีไม่มีใครทักท้วงตรงนี้ได้ บอกว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วยังไม่ตรัสรู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นอันนี้ก็ไม่มีใครทักท้วงได้ก็ทําให้พระองค์ในปีติและโสมนัสถึงความกล้าหาหรือไม่มีใครทักท้วงได้ว่าคําที่พระพุทธเจ้าสอนไม่นําออกจากทุกข์ไม่ใช่นิยานิกระทามหรือสิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นอันตรายสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายซึ่งความจริงสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายเนี่ยนะพระองค์ก็นั่นแหละข้าแต่พระมหาวีระ พระองค์ผู้ก ล, กล้าด้วยเวสารัชยานสี่สำอาคีนาสวัปฏิญญาสำ ม, ม, ม, ม, มาสัมพุทธะปฏิญญานิยานิกธรรมเทศนาอันตรายกธรรมเทศนาเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้พิชิตสงครามพระพุทธเจ้าในชนะสงครามอะไรสงครามคือชนะขันธมารชนะกิเลสมารชนะอภิสังขารมารชนะมัจจุมารคือพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารทั้งห้าเนี่ยนะ มานคือกิเลสมานคือสังขารมานคือขันมานคือความตายมานคือกรรมเป็นต้นพระองค์ชนะหมดแล้วข้าแต่พระองค์ผู้นําพวกหรือผู้นำหมู่สัตว์เปรียบเหมือนอย่างว่าหัวหน้าพวกเนี่ยนะนำบริวารพักาข้ามข้ามทะเลทรายเนี่ยน ะ, ะหัวหน้าพวกพาบริวารข้ามทะเลทรายได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็พาสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากชาติชรามรณะฉันนั้นแค่เรียกว่า พ, พาให้ข้ามพ้นจากกันดาร ข้าแต่พระองค์ผู้หาหนี้ไม่ได้ก็คือผู้หากิเลสไม่ได้หมายถึงหนี้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีฉันทราคะในสิ่งใดก็สิ่งใดที่เราชอบใจนะเราเป็นหนี้กับสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นเป็นลูกหนี้ของสิ่งนั้นถ้าเราชอบสิ่งไหนนะเราตกเป็นเป็นลูกหนี้ของของสิ่งนั้นจะต้องคอยอะไรคอยห่วงคอย ย, ยัยคอยวิตตกคอยกังวลก็เหมือนกับคนที่เป็นลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยที่เขาจําต้องทํากับเจ้าหนี้ฉันใด ผู้ที่มีตันหาทั้งหลายชอบใจในสิ่งใดก็เชื่อว่าเป็นลูกหนี้ของสิ่งนั้นเพราะเขาบอกว่าพ่อแม่หลายคนสมัยใหม่เขาพูดใช้คําว่าเมื่อก่อนนะพ่อแม่นะเป็นเป็นอะไรนะเป็นผู้เป็นเจ้านี่ของลูกหลานใช่ไหมลูกหลานต้องใช้หนี้ให้พ่อแม่แต่พ่อแม่สมัยใหม่เขาบอกเขาเป็นหนี้ของลูกหลานเพราะอะไร เป็นนี่คือตันหาไงเพราะเขารักลูกรักหลานมากเพราะฉะนั้นเขาจึงปรนเปรอทุกอย่างเพราะถือว่าลูกหลานเป็นเจ้านี่ของเขาอ่ะนะก็คิดถูกะนะเพราะเขาหมกมุ่นจนมองลูกเป็นพระเจ้าไปหมดเนี่ยนะก็มองลูกเคารพลูกบอกบางงานที่บางคนก็บอกโอ้ยโอ้เนี่ยลูกเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็อบอกโอ้ยนี่คือคุณไม่ใช่เลี้ยงลูกหรอกคุณนี่คุณเลี้ยงพ่อคุณแล้นะนะจริงๆนะเคารพยิ่งกว่าพ่ออีกพ่ อ, อยังกล้าขัดใจแต่ลูกไม่กล้าขัดใจเนี่ยนะขอให้ลูกพูดแต่อันนี้บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะ โอ้ยนี่ขนาดกับพ่อนะั้นไม่ค่อยสนใจหรอกแต่กับลูกอูย้ยเอาจริงจังขนาดนั้นเลยนะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างงั้นอันนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะแต่คนที่เขาเป็นมีคุณสมบัติของพ่อแม่จริงจริแล้วก็อนุโมทนาชื่นชมด้วยแต่คนที่มองลูกเป็นพระเจ้าตามใจลูกหมดเลยเนี่ยนะก็แล้วก็ลูกไม่มีวิจารณญาณอะไรก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกเสร็จแล้วก็มานั่งน้ําตาเช็ดที่ไหนดีนะเช็ดเข่าแล้วนะโซกันนั่นแหละนะ บางทีลูกไม่ทันไปไหนเลยบางทีบาทีอย่างเช่นเนี่ยก็บอกว่าโอ้แล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกซื้อรถเครื่องให้ลูกสักคันนึงมันจะได้ไปขับร้อยแปดสิบย น, นะโน่นไปเยี่ยมโรงพยาบาลเอากันแล้วกันเนี่ยนะพิการเยอะมากเลยนะยิงต่างจังหวัดเนี่ยได้ข่าวเดียวก็โอ้คนนั้นพิการไปแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้วเนี่ยนะมีองคคนหนึ่งซื้อรถเครื่องให้ลูกสาวเนี่ยแล้วก็เอาหน้าขาวๆไปถูลาดยางเนโอ้ยอย่าไปคิดดูเถอะเนี่ยนะกําพร์สามีตลอดชาติยังไง ม, ม, มันก็เป็นลักษณะนี้ซึ่งสมัยใหม่เนี่ยมีอย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเรียกว่าตามใจลูกแบบผิดประเภทเพราะฉะเราเป็นหนี้กับสิ่งใดเราก็จะยอมถาเป็นทาแก่สิ่งนั้นมันก่อนโยมก็บอกว่าเขาเขามีลูกที่ประสบความสําเร็จหลายคนมากเลยนะเขบอกว่าความรักของเราที่มีต่อลูกต้องเก็บไว้ในใจแต่มารยาทคําแนะนําโอวาทอันนี้เราต้องทําตลอดไปเขาบงั้น เพราะฉะนั้นก็บอกว่าความรักเก็บไว้ในใจไม่ต้องบอกมันก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่มรักลูกแหละแต่ว่าที่สําคัญว่าทํายังไงที่ลูกไม่ต้องเดือดร้อนในปัจจุบันและต่ อ, ต อ, ตอไปทํายังไงลูกอยู่โดยที่ไม่ต้องมีเราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าลูกขาดเราแล้วลูกแทบตายเลยเนี่ยแสดงว่าพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่รักลูกจริงหรือว่าไม่จริงหรอกเนี่ยนะความเห็นแก่ตัวของพ่อแม่ต่างหากแล้วเพราะไม่คิดจะให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเป็นแล้วตัวเองจะอยู่คุ้มครองลูกตลอดไปได้หรือ เป็นต้นมังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นหนี้กับสิ่งใดก็ตกเป็นาธาตุแก่สิ่งนั้นหนี้ก็คือตันหาถ้าชอบสิ่งใดมากก็เป็นาธาตุของสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่เป็นาธาตุของรูปเสียงกลิภภ่นรสโพธิภะเหล่าใดเลยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของของอะไรบ้างวัตถุทั้งหลายเป็นต้นไม่เลยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสังขารธรรมเพราะองค์เป็นผู้ครอบงําพันคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นี่แหละ ที่สมควรที่จะโอวาสสั่งสอนสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ผู้ผู้ไม่มีหนี้คือไม่มีกามาชันทะไม่มีตัณหาทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดเสด็จลุกขึ้นเนี่ยนะลุกขึ้นนะนะด้วยใจที่กรุณาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโปรดจาริกไปสอนสัตว์โลกเนี่ยนะนะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลและ ความสุขนิมนเธอเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมเถิดโปรดประกาศอริยสัจธรรมเถิดผู้รู้ทั่วถึงธรรมก็จะมีอยู่เนี่ยน ะ, ะถ้าถ้อยคำของท้าวมหาพรหมที่อาราธนาแต่ละบรรทัดเนี่ยถือว่ามีสาระหาค่าไม่ได้เนี่ยนะมัน โบราณที่เขาเรียบเรียงมาเนี่ยนะมาเรียบเรียงเป็นอะไรนะพรมมาจโลกาที่ปฏิเป็นต้นเนี่ยจึงเป็นคำที่ดีมากแล้วก็มีประโยชน์ทำให้เราเห็นภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์พระองค์ปรารบว่าอย่างไรเนี่ยนะพระองค์คิดอย่างไรเกิดเหตุการณ์เหล่าใดบ้างก็มีอยู่คำหนึ่งในอัถกฐานหน้า449 ตรงกลางกลางกลางหน้าเนี่ยนะบอกว่าด้วยบทว่าภวิสสันติเนี่ยนะก็คือผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมก็จะมีอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายผู้กระทําบุญโดยบุญกิริยาวัตถุสิบในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเขาเหล่านั้นหวังการแสดงธรรมเปรียบเหมือนดอกบัวที่ต้องการแสงอาทิตย์ควรที่จะอย่างลงสู่อริยภูมิควรจะอย่างลงสู่โสดาปฏิมัคสกะทาคามิมักอรหัตมัคเนี่ยนะด้วยจบคาถาสี่บท คนที่เขาจะบรรลุนะไม่ใช่หนึ่งคนสองคนแต่ที่แท้หลายแสนนะผู้ที่จะตรัสรู้ยังมีอีกหลายแสนเนี่ยนะส่วนอีกในยะหนึ่งในอัตถกาถาที่อธิบายเพิ่มเติมในหน้า450ยอดหน้าบอกว่าบุุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาเหินพึงเห็นหมูชนได้โดยรอบฉันใดดูก่อนพระพุทธเจ้าสุเมทะผู้มีปัญญาดี พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีสมรตจักษุมีตาโดยโรอบโดยสพันยุตยานแม้พระองค์ก็ได้โปรดขึ้นสู่ปราสาทธรรมธรรมที่สําเร็จด้วยปัญญาเนี่ยนะเป็นปัญญาที่ไม่เศร้าโศกเพราะผู้ที่แทงตลอดอรหัตผลแล้วอโศกังเป็นผู้ไม่เศร้าโศกขอพระองค์โปรดใคร่ครวนพิจารณาตรวจตราหมู่ชนผู้ระ ง, งมตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความโศกเขาถูกชราชาติ ถูกความเกิดครอบงำถูกความแก่ครอบงำแ ค, แค่เกิดแก่เท่านั้นหรือบอกตายด้วยนะยังตายด้วยยังเจ็บป่วยด้วยเนี่ยนะโศกโสกะปริเทวะเป็นต้นครอบงำอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายทำนารอบเชิงเขาปลูกกระท่อมเอาไว้ที่เขตคานาในที่นั้นตอนกลางคืนก็จุดประทีปไฟเอาไว้ ความมืดมิดที่ประกอบไปด้วยองค์สีเมื่อเป็นอย่างนั้นบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดเขานั้นมองดูพื้นดินไร่นาะไม่ปรากฏเขตคันนาทั้งหลายก็ไม่ปรากฏกระท่อมไม่ปรากฏคนที่อยู่ในที่นั้นก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่แสงไฟที่กระท่อมฉั้นใดใครว่ามองเห็นดวงไฟตอนกลางคืนนะนะมองเห็นแต่แสงไฟฉันใดพระตถาคตเมื่อเสด็จขึ้นทาปราศาสต์คือปัญญาตรวจ ด, ดูหมูสัตว์ สัตว์ผู้ที่ไม่ได้ทำกรรมดีไม่ไม่มีบุญเนี่ยนะคนไม่มีบุญเก่ามาในอดีตเนี่ยถึงจะนั่งอยู่ชานุเบื้องขวาเข่าขวานั่งอยู่ข้างๆเลยแหละในวิหารเดียวกันก็ไม่ปรากฏแก่พุทธจักสุเหมือนยิงธนูไปในเวลากลางคืนเอาจริงนะเคยมีธุระบางอย่างนะคนที่อยู่รอบตัวมีเป็นร้อยเอามาำใช้งานไม่ได้สักคนเดียวเนี่ยนะใครเคยเป็นแบบนี้มั่งอันนั้นนะ เขาบอกว่ามีคนรู้จักเป็นร้อยแต่ปรึกษาเรื่องไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวเขาว่างั้นนะนะเขาบอกว่าบรรดาคนที่ขลาดเมื่อมีภัยเกิดขึ้นถึงจะมีเป็นพันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่สําเร็จประโยชน์ชันใดผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะถึงจะอยู่บริเวณนั้นเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้าก็มองไม่เห็นเนี่ยนะพระองค์ก็ไปโปรดคนที่เขาพอจะตรัสรู้ได้ส่วนเวไนยบุคคลผู้ทํากรรมดีผู้ทำำําบุญสั่งสมบุญไว้เป็นอย่างดี ถึงเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ช่างเถอะเขาก็จะปรากฏแก่พระพุทธเจ้าเหมือนดวงไฟเหมือนดวงไฟตอนกลางคืนบอกเอา้าอาจจะนึกไม่ออกเหมือนหิมวันตะบันพศเรียกว่าเหมือนเขาหิมาลัยเนี่ยนะถึงจะอยู่ไกลก็มองเห็นเขาหิมาลัยฉันใดอย่างในคาถาธรรมบทพระองค์ตรัสว่าสัตว์บุรุษคือคนดีทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะ ย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนหิมวันตะบรนพศเนี่ยนะยังไงก็มองเห็นภูเขาใหญ่ขนาดนั้นส่วนอาสัตบุรุษถึงจะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่ยิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้นลูกศรยิงตอนกลางวันก็มันไปไวอาจจะเห็นแวบๆใช่ไหมแต่ยิ่งตอนยิงตอนกลางคืนด้วยจะเป็นยังไงคนที่ไม่มีบุญก็ฉันนั้นเนี่ยนะผอมทั้งหลายก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อฟังคําของเท้ามหาพรหมเสร็จ ในหน้า320ข้อ323หน้า421เนี่ย น, นะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเรารู้การอาราธนาของสหบดีพรมอะ น, นะคือเข้าใจทั้งหมดเลยว่าที่พรมอาราธนาเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเราเข้าใจทั้งหมดนะ น, นะอาศัยความการุณาในสัตว์ทั้งหลายเออใช่นะสัตว์ทั้งหลายเขาหน้าการุณานะ อันที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ด้วยเหตุผลว่ารอให้พร้อมอาราธนาก่อนแล้วพระองค์ก็เจริญกรุณาเนี่ยนะเจริญกรุณาเช่นกรุณาสมาบัติยานไปในสัพพสัตว์ทั้งหลายบรนตอนท้ายๆของมหาการุณาสมาบัติยานที่บอกว่าถ้าเราตรัสรู้แล้วแต่สัตว์ทั้งหลายเขายังไม่ได้ตรัสรู้กันเลยเราข้ามได้แล้วแต่สัตว์ทั้งหลายเขายัง ไม่ข้ามเลยเราพ้นแล้วแต่สัตว์ทั้งหลายยังไม่พ้นเลยเราโล่งใจแล้วแต่สัตว์ทั้งหลายยังไม่โล่งใจเลยเนี่ยนะเราปรินิพานแล้วแต่สัตว์ทั้งหลายยังไม่ได้ปรินิพานเลยเนี่ยนะพันธ์ทำยังไงอ่ะผมก็แผ่แผ่พุทธจักษุตรวจดูตรวจ ด, ดูหมู่สัตว์เนี่ยนะวิธีคิดในเดี๋ยวค่อยดูอัตตะกะทาอีกครั้งจะทำให้เข้าใจชัดขึ้นว่า พระองค์เนี่ยสัพพสัตมาเข้าสู่ข่ายพระญาณของพระองค์ทั้งหมดเลยว่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยคือเราว่าคือเราว่าฝุ่นละอองอยู่ในดวงตาเนี่ยนะถ้าคนตาตาใครเคยฝุ่นเข้าตาบ้างไหมถ้าฝุ่นมันเข้าตามากมองเห็นอะไรง่ายไหมถ้าฝุ่นแหมเข้านิดๆหน่อยๆเนี่ยก็พอมองเห็นอะไรได้ง่ายฉันใดาบางคนเนี่ยนะกิเลสในดวงตาก็น้อยบางคนกิเลสในดวงตาก็ มากบางคนมีสะอินซีแก่กล้าบางคนมีอินซีอ่อนบางคนมีอาการดีบางคนมีอาการชั่วบางพวกสอนให้รู้ได้ง่ายบางพวกสอนยากยากเนี่ยนะบางพวกก็มีปกติเห็นโทษและประโลภโดยความเป็นภัยทีนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าในกอุบลโกปฐมหรือโกอบุญริศเนี่ยนะกบัวนะกบัวเนี่ยในกบัวก็มีดอกบัวใช่ดอกอุบลดอกปุมดอกบุญริก ดอกบัวบางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่กับน้ำจมภายใต้น้ำแต่ก็น้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะถ้าปลาและเต่าไม่กินมันก็ต้องบานแน่นอนนะว่างั้นนะบางดอกเกิดในน้ำเจริญน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำที่เขาเรียกว่าบัวปริ่มน้ำเนี่ยนะบางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่พ้นน้าขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่อรเขาว่าโผล่ขึ้นบนเนี่ยนะน้ำซึมเข้าไปไม่ได้รอแต่แสงอาทิตย์ก็จะบานฉันใด ขณะที่พระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสัต ว, ว, ดดวต์บางพวกมีกิเลส ด, ดุจธุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกพอ ส, สอนให้รู้ได้โดยง่ายบางพวกสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและปาโลกโดยความเ็น ภัยคือบางพวกกลัวชาติหน้ามา ก, ารกรดดพระองค์ก็ตรวจดูเนี่ยนะพอตรวจดูเสร็จพระองค์ก็ตอบท้าวมหาพรหมว่าเราได้เปิดประตูอมาตะคือเปิดอริยมรรคให้ตรัสรู้นิพพานแก่ท่านแล้วขอชนผู้มีโสหรือชนผู้สดับใครที่มีหูเนี่ย น, นะให้ปล่อยศรัทธาออกมารับธรรมเทศนาของพระองค์เถอเขามีหูฟังภาษาภาษาพระพุทธเจ้าเข้าใจเขารู้ได้หมดแหละว่างั้นดูก่อนพรหม เราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่กล่าวทรรมที่ประนีตซึ่งเราคล่องแคล่วในมนุมนษย์เนี่ยนะ